จะได้บรรยายธรรมะสู่ฟังคนเรานี่เพราะไม่รู้ธรรมะนี่แหละมันถึงทนทุกข์ไปไม่ได้พระพทธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วว่าธรรมโมหะเวรคติธรรมจาริงพระธรรมยอมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว ธรรมโมทุจินโนสุขมาวหาติทรรมที่ผู้ประพฤติแล้วนำสุขมาให้อันนี้เป็นอานิสงแห่งการปฏิบัติธรรมคือมีความสุขเป็นานิสงในพึ่งพากันสันนิฐานดูทีแรกเราก็ ปฏิบัติพระธรรมให้เกิดให้มีขึ้นในตนแบบนี้เมื่อพระธรรมบังเกิดขึ้นในตนแล้วพระธรรมก็รักษาผู้นั้นไม่ให้ตกไปในที่ชั่วนี่ความหมายแหง่งพุทธภาสิทธิ์นี้นะเล้วเมื่อตนไม่น้อมพระธรรมเข้ามาสู่กายสู่วาจาสู่ใจแล้วจะให้พระธรรมนั้นมารักษาตนมันไม่ได้ หมายความว่าเราต้องลงมือปฏิบัติพระธรรมนั้นไปเอ็นพระธรรมมันสอนให้ลกความชั่วอย่างนี้นะก็เพียรพยายามละความชั่วตามอ่มอาแบบนีนะ้แล้วก็พระธรรมสอนให้ทำความดีให้เกิดให้มีขึ้นในตอนอย่างนี้ก็พยายามทำความดีให้เกิดให้มีขึ้น เช่นนี้แหละพระธรรมนั้นเพืจะรักษาผู้นั้นไม่ให้ตกไปในที่ชั่วได้เพียงแต่อ้อนวอนหรือกราบไหว้บูชาด้วยดอกไม้พวกเพียนเท่านั้นหนึ่งพระธรรมไม่สามารถที่จะรักษาผู้นั้นให้เป็นคนดีได้นั่นเป็น เ, เพียงอุปนิสัยปัจจัยนิดๆหน่อยๆเท่านั้นแนหะ การที่มันพระธรรมนั้นจะมีประสิทธิภาพได้ก็เพราะเราน้อมเข้ามาสู่ใจทําใจเขาตนให้เป็นไปตามพระธรรมนั้นจริงๆอย่างเช่นว่าอทําตนให้เป็นผู้สันโดษ ย, ยินดีด้วยของที่มีอยู่อย่างนี้นะเราก็ทําจริงๆนะ ไม่เทเยเธอายานอยากได่ของผู้อื่นเอาเปของตนนะผู้อื่นจะมีมากล้นเพียงใดก็ไม่เดือดเนื้อร้อนใจไม่น้อยเนื้อต่ําใจอตนมีเท่านี้แหละก็หินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านี้เขาว่าตนมีบุญน้อยความพยายามของตนมันก่อนน้อยเพราะฉะนั้นผลที่มันเกิดให้มันก่อ น, น้อย ถ้าว่าตอนอยากจะให้มันเจริญรุ่งเรืองเหมือนอย่างคนที่เขาเจริญมานั้นตนก็ขยันหมั่นเพียรเข้าไปทำความดีเข้าไปให้เต็มความสามารถอบรมสติปัญญาให้เกิดขึ้นในตนและ ว, วันนี้มังกรทำเหตุแต่งความดีนั้นได้มากๆเข้าไป ต่อไปผลอย่่งความดีมันกอบหน่วยให้มากๆขึ้นก็ยอมเจริญรุ่งเรืองด้วยลาบยศสนเสริญเ น, นี่ยความสุขกายสบายใจอย่างนี้แหละเรียกว่าสรุปเลยเป็นผู้มีสันสุทธิธรรมอยู่ในใจนี่เมื่อมีคุณธรรมนี้อยู่ในใจแล้วจิตใจก็สบายดีเห็นผู้อื่นมั่งมี ล่ำรวยกวู๋ตนก็ไม่เดือดร้อนแบบนี้นะเพราะว่าได้ฝึกใจของตนมาแล้วฝึกใจให้มันพอใจยินดีอยู่ในสมบัติที่ตนหามาได้ด้วยความสามารถของตนเองถ้าหากว่าไปยินดีกับสมบัติของผู้อื่นหรือไปอยากได้สมบัติผู้อื่นเข้าไปเดี๋ยวก็ไปทำบาปเข้าไป อย่างนี้มันก็ทำให้ผู้นั้นได้มีบาปติดตัวนั่นแหละได้มีบาปติดตัวเพราะความไม่สันโดษยินดีตามมีตามได้นั่นเองเนี่ยเมื่อตนทำความยินดีพอใจในสมบัติเท่าที่ตนมีอยู่นี่นั่นแหละพระทรานนั้นก็รักษาจิตใจ ให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมไม่ให้ไปคิดอิจฉาเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นต่อไปอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นนะพยายามทามความดีให้มากๆเข้าไปเมื่อตนได้อัตภาพร่างกายนี้มาโดยสมบูรณ์แล้วมีกำลังวางชาดีบุญกุศลที่ทำมาแต่ก่อนนั้นนะมา อำนวยผลให้มาตกแต่งร่างกายอันนี้ให้มีกำลังเรี่ยวแรงดีอย่างนี้เราก็พยายามใช้กำลังเรี่ยวแรงอันนี้และทําความดีเข้าไปอสําหรับผู้ครองเรือนอย่างนี้ก็ต้องแสวงหาวิชาความรู้เข้าไปจนมีความรู้ความฉลาดในการ ทำการทำงานอย่างไรก็ตั้งหน้าตั้งตาทำการงานนั้นนะให้มันเป็นร่ำเป็นสันเข้าไปไม่ท้อไม่ถอยเช่นนี้มันก็พอที่จะแสวงหาทรัพย์สินเงินทองมาได้ถึงไม่มากก็นัว่าจะไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินใครก็พอเลี้ยงตัวและครอบตัวไปได้ นี่นะที่ว่ า, า, าพระธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมให้ตกไปในที่ชั่วนั้นแม่ทาข้ออื่นๆก็เหมือนกันนะเมือ่อผูอ้ใดน้อมเข้ามาสู่จิตใจของตนแล้วอย่างนี้พระธรรมนั่นแหละคนรักษาจิตใจของคุณนั้นไม่ให้ไม่ให้ตกไปในทางบาปอาคุศน ให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลเลยไปเอาเช่นอย่างเมตตาอย่างนี้นะเมื่อผูใ้ใดเจริญให้เกิดให้มีขึ้นในใจให้มากมาเข้าไปแล้วใจก็เย็นสบายความโกรธก็ครอบงำจิตใจไม่ได้เพราะว่าอนุภาพแห่งเมตตาธรรมนั้นมันจะข จ, จัดความโกรธออกไปเลย ให้มายัวให้โกรธมันก็ไม่โกรธเพราะมันมีเมตตาธรรมเป็นเครื่องอยู่ภายในใจเหมือนอย่างบุคคลผู้มีเกาะป้ อ, องกันตัวนี่ถ้าศึกยิงมาแต่ในทิศทางสี่มันก็ไม่เข้ายิงมาถูกเกาะ น, นั้นแล้วมันก็กระเด็นไปทางอื่นอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นผู้มีเมตตาธรรมอยู่ในใจ ใครจะมาชวนให้โกรธมันก็ไม่โกรธทำด่ า, ดาว่าเสียสีนั้นมันก็อุปมาเหมือนอย่างลูกกระสุนปืนนะลูกหน้าไม้มันมันยิงกันมาเมื่อผู้ใดมีใจตั้งมั่นอยู่ในเมตตาธรรมแล้วมันก็ไม่โกรธ อ, อย่างนี้แหละนั่นเรียกว่าเมตตาธรรมรักษาจิตของคุณนั้นนะ ให้ตั้งอยู่ในความดีได้ไม่ให้ตกเป็นธาตแห่งโทสะพยาบาทมันเป็นกรรมเป็นเวรสืบต่อกันไปทีนี้ความเป็นผู้มักน้อยอยิ่งเป็นคุณธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสนรเสริญมากมและพระองค์ก็ได้ทรงบำเพ็ญมา พระองค์จึงได้ทรงยกอดีติทานตั้งแต่ครั้งพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์อยู่ในชาติหนึ่งก็ได้เกิดเป็นพญานกแขกเข้ามีบริวารเป็นหมื่นๆพาบริวาร น, นั่นไปอาศัยอยู่ต้นมะเดื่อต้นหนึ่งริมฝั่งแม่น้ําคงคาไปกินลูกมะเดื่อนั่นเป็นอาหารไม่ไปหา ผลไม้ในตนน้นอื่นๆกินเลยบรรดาบริวาลก็ทําตามอากินลูกหมดแล้ววันนี้ก็กินใบนั่นเองพอใบอ่อนหมดแล้วกินใบแก่กินใบแก่กแกหมดแล้วก็กินเปลือกอั่นี้ง น, นั่นเองสัพท์กินเปลือกนั้นไปอ้าวไม้ทางต้นน่ะนกเป็นหมื่นๆ น, นะ ตัวนั้นสับเข้าไปตัวนี้สับเข้าไปมันก็เปลือง ก, ก็หมดเมื่อเปลือกเปลือกมันหมดแล้ว ม, มันจะไปดูดเอาอาหารมาเลี้ยงต้นไม่ได้เลยมาเดือตัวนั้นก็ตายอา้าเพอมันตายแล้วมันผูกอันนี้ก็สับกินเนื้อไม่มาเดือดนะนะั่นนะตนะีมผูดนั่ะเป็นอาหารอา่ากินแล้วก็ลงไปดื่มน้าแม่น้าคงคานะั่น ด้วยอำนาจแห่งความเป็นผู้มักน้อยของพญานกแขกเต่าและบริวาร น, นั้นก็ได้ร้อนถึงพญาอินทําให้แทน่นบรรดุกำพลศิลาอาบแข็งกระด้างพญาอินจึงเล็งทิพเนศลงมาก็รู้ได้ว่านี่พญานกแขกเต่านี้เป็นพระโพธิสัตว์กำลังสร้างบารมี บาเพ็นตนเป็นผู้มักน้อยสันโดดยินดีตามมีตามได้พขายินก็ลงมาช่วยอนะก็มาก็มาถามปัญหาก่อนแล้วทำไมอ่ะจึงมาอยู่กันอดๆด อ, อยากอย่างนี้ในเมื่อไม้ต้นอื่นอุดมสมบูรณ์ด้วยมากด้วยผลมากมายอ่ะทำไมหนอ พญานกแขกเต้ากับบริวาณเนี่ยจึงมาอยู่ทนทุกข์ทรมานอาศัยแต่ไม้ต้นเดียวเท่านี้มันจะสมควรหรือหรือจะปล่อยให้ชีวิตนี้แตกดับทําลายไปเสียเปล่ามันจะมีประโยชน์อะไรพญานกแขกเต้าก็ตตอบพญอินว่าธรรมดาบัณฑิตนักปราชญ์ ผู้พิจารณาเห็นโทษภัยในวัฏะทรสงสารนี่ว่ามันเต็มไปด้วยทุกข์ด้วยโทษพิจารณาเห็นโทษแห่งตัณหาความอยากอันไม่มีสิ้นสุดนั้นแล้ววันนี้ก็พยายามาตัดตัณหานั้นให้น้อยเบาวางลงไปเหตุนั้นข้าพเจ้าระบริวานจึงมาบำเพ็ญตนเป็นผู้มากน้อยสันโดษอยู่ในต้นไม่บระเดือดต้นนี้ เพราะปรารถนาที่จะทำลายตันหาอันไม่มีสิ้นสุดนี่ให้น้อยเบาบาง อ, อไปจากกิจใจเมื่อพรายินได้ฟังนั้นแล้วก็พอพระหาฤทัยทรงยกย่องพญานกแขกเต้ากับบริวารว่าเป็นผู้มั่นอยู่ในธรรมอย่างยอดเยี่ยมทีนั้นพญายินก็บอ็ไปตักเอาน้ำ แม่คงคาเนั้นมาลดต้นมาเดือดนั้นเข้าไปทันใดนั้นมาเดือนั้นก็สดชื่นคืนมาอ่าก็มีเปลือกหุ้มต้นขึ้นมีพิแตกกิ่งแตกก้านสาขาออกไปพิดอกออกผลในทันทีเหลืองอร่ามให้พญานกแขกเต้ากับบริวัรได้อาศัยกินอยู่นั่นไป มาเลือตนนั้นตั้งแต่นั้นมามันไม่ไม่หมดสักทีมันเจริญมันพริดอกออกผลสดเสกันไปเรื่อยๆพญานกแขกเจ้ากับบริวารไม่อดไม่อยากเลยบบนี้น ะ, อ, ะอันนี้เราเรียกว่าผลแห่งความปฏิบัติธรรมปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งโกงกันข้ามกับความเป็นผู้ไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าที่คำโบราณท่านกล่าวไว้ว่าโลภมากลาบหายโลภนักมักตัวตายอันนี้ไม่มีผิดเลยนั่นโลภมากลาบมันก็าหายเหมือนอย่าง บุคคลผู้ที่ทำมาหาเรื่องขีบเข้าไปแล้ววันนี้เมื่อตนหามาได้เท่านี้ยังไม่พอใจไปเห็นสมวัติผู้อื่นก็อยากได้เข้าไปอีกก็ไปแย่งไปชิงเอาของเขามันนี้เมื่อถูกไปฟ้องร้องต่อเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขาก็มาจับเข้าไปฟ้องกัน ขึ้นลงขึ้นศาลศาลก็ตัดสินให้ติดคุกติดตารางอันลาบที่เคยได้มานั้นก็สูญหายไปหมดเลยนั่นแหละแทนที่ว่าจะได้บริโภคสมบัติที่ตนเสวงหามาได้นั่นสม่มเสมอไปไม่แล้วต้องไปทนทุกข์ทรมานอยู่ในคุกในตารางนั่นอันนี้แหละที่ท่านเรียกว่าโลภมากลาบมันหาย โลภนักมักตัวตายเมื่อไปแย่งไปชิงไปเอาสมบัติของเขาโดยพราการบันนี้ตนพลาดพังป้องกันตัวไม่ได้ถูกเขาฆ่าตายมีอยู่เยอะแ ย, ะ, ยะในโลกอันนี้นะเป็นอย่างนี้แหละความเป็นผู้ไม่ฉันโดดมากน้อยอในปัจจัยเครื่องอาศัย ต่างๆในโลกอันนี้นะมันทำให้ชีวิตนี่ถึงซึ่งความเสื่อมเรียกว่าหาความเจริญไม่ได้เลยให้พากันเข้าใจนี่แหละข้อธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เมื่อหยิบยกจากข้อหนึ่งขึ้นมาชี้แจงอธิบายแล้วมันก็เกี่ยวโยงไปถึงข้ออื่นๆเลย เช่นยังว่าเป็นผู้มากน้อยสันโดษยินดีตามมีตามได้อย่างนี้นะมันก็เกี่ยวโยงไปถึงสินน่นวันี่คนเป็นผู้มีสินแหละมันถึงเป็นผู้มากน้อยสันโดษได้ถ้าไม่มีสินแล้วมไม่ได้มันเป็นอย่างนั้น <c oughs> เมื่อมีศินแล้วนีอมันก็ไม่ไปเบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่น ไม่ไปทำ้ายชีวิตของบุคคลอื่นสัตว์อื่นนั่นก็ต้องแสวงหาเอาอาหารอันบริสุทธิ์นั่นมาบริโภคเมื่อมีสินแล้วมันก็ไม่ไปเบียดเบียนทรัพสมบัติของผู้อื่นเมื่อตนหามาได้เท่าไรก็ยินดีใช้สวยอยู่เท่านั้นนี่ถ้าขืนไปแย่งชิงเอาสมบัติผู้อื่นสินก็ขาดก็เป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวร น, นี่ อย่างนี้แหลเนีย่ว่าคุณธรรมข้อหนึ่งมันเกี่ยวโยงไปถึงอีกข้อหนึ่งเกี่ยวโยงไปถึงเรื่องการเจริญสมาธิภาวนานน่นบนันนี้เมื่อบุคคลเป็นผู้มากน้อยสันโดษแล้วแสดงว่าไม่ได้ทําบาปเมื่อไม่ทําบาปไม่มีบาปอยู่ในตนแล้วใจมันก็ห่องแผ่วเบิกบานเมื่อใจเบิกบานเช่นนั้นก็มาเจริญ ภาวนาเจริญพระกรรมฐานเข้าไปพระกรรมฐานนี่ยมันก็ปรากฏแจ่มแจ้งในใจได้ธรรมดาบุคคลผู้มีใจเบิกบานแล้วมันก็มามองดูอัตภาพร่างกายอันนี้มองดูชีวิตอันเนี้อ่มีประมาณน้อยเต็มทีอย่างนี้แหละมองดูความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกาย น, นี้มันก็เห็นแจ้งชัดได้ เชียงโยผู้ที่เกิดมาใหม่กำลังอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวนี่อาจจะมองดูตัวเองว่ายังมีกำลังเรียวแรงดียังไม่ํำรุดชุดโทมอะไรแต่ถ้าหากว่ามองให้ไกลไปกว่านั้นบัดนี้เมื่อว่าเรามีชีวิตอยู่ต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงล่ะอัตภาพร่างกายนี่ อย่างที่คนที่เกิดก่อนเรามาแล้วอย่างนี้นะเพื่อนมีร่างกายเป็นอย่างไรอ่ะนี่เราก็เห็นกันอยู่ไม่ต้องพี่นาในทางใจแม่ดูด้วยตานี่ก็เห็นกันนะว่าร่างกายนี่อยู่ไนานแล้วมันเป็นยังไงอ่ะเราก็เห็นกันอยู่อย่างนี้แหละแม่ตัวของตัวเองในขณะนี้ยังหนุ่มอยู่ก็จริงนยแต่ว่าต่อไปนี่มันก็ชุดโทมไปเรื่อยๆ ร, ร่างกายอันนี้ มันก็เลยกลายเป็นคนแก่คนง่อมเข้าไปเหมือนกันกันกบคนที่เกิดก่อนเราถ้าเราได้ใช้วิจารณญาณเพ่งพิจณาคาดการล่วงหน้าดูอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ผิดแล้วเป็นความจริงเลยอัตภาพร่างกายนี่นะจะต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนดังนั้นแหละพระสาวกตั้งแต่ครั้งพุทธกาล มีทุกไวทที่ออกบวชตั้งแต่อายุเจ็ดขวบนี่ขึ้นไปเลยบระเดียวท่านผู้ได้ได้สั่งสมบารมีมามากได้ปรารถนามาอย่างนั้นตั้งแต่อดีตชาติหนหลังทำบุญทำทานอะไรก็ปรารถนาลงว่าอขอให้ข้าพเจ้าได้บวชตั้งแต่อายุได้เจ็ดขวบขึ้นไปอย่างนี้นะเมื่อท่านเหล่านั้นได้สั่งสมบุญกุศล มาเพียงพอแล้ววนันี่มาเกิดในชาตินั้นพออายุได้เก็ดขวบเท่านั้นมันก็คิดอยากบวชเลยพ่อแม่ก็ไม่ขัดขวางหาลูกไปมอบให้อุปชาอาจารย์ที่ตนเคารพนับถืออย่างเช่นบัณิตะสามเนนแล้วก็มาเกิดในตระกูลอุปถาของท่านสาริบุต พอ เ, เกิดมาแล้วระลึกชาติหนหลังได้อพอระลึกชาติหนหลังได้อย่างนั้นเออนี่ท่านพระษาริบุตรนี่ท่านได้สงเคราะเกื้อกูลเรามาแต่ก่อนนโนห่นวันนี้เราก็จะขอตอบบุญแทนคุณ ท, ท่านทั้งที่นอนอยู่ในผ้าอ้อมเอาผ้ากำทนเนื้อดีๆราคาเป็นแสนนนมาทําเป็นผ้าอ้อมนะเพราะคน คนร่ํารวยนี่เอคนมีบุญนะ่ะเด็กนั้นก็ได้เอามือนิ้วมือนั่นไปเกาะผ้าอ้อมมา น, นั่นเลยเไปเกาะผ้าอ้อมนั้นแล้วก็ยื่นไปหาท่านพระสารีบุตรเพราะเขานิมนต์ให้ท่านมาตั้งชื่อให้เอาผู้แม่ก็ไปปดผ้าออกจากมือลูกว่าผ้านั้นไปคล้องมือลูก ลูกก็ร้องให้แบบนี้น ะ, ะลูกร้องให้แล้วแบบเอาเอาผ้าไปใส่มือให้ลูกลูกก็เอามือนั่นดันผ้านั้นไปหาทภาษาทีุ่ตรสองครั้งสามครั้งแม่ก็ระลึกได้เออถ้าอย่างนั้นไอ้ลูกของอิสันนี่ถ้าเขาจะมีศรัทธาถวายผ้าผืนนี้แกเพราะผู้เป็นเจ้าดังนั้น ไอ้ฉันก็ขอถวายผ้าผืนนี้เดชผู้เป็นเจ้าไปเเลยก็เลยต้องเอาออกมาทำความสะอาดพับดิบตีแล้วก็ถวายท่านไปเอาผืนอื่นมาทำผ้าอ้อมแทนอย่างนี้ท่านผู้มีบุญหลายนะมีปัญญาพนะ เ, าเกิดมาแล้วมันระลึกได้เลย เราเลืกถึงความดีได้ทันทีแต่อย่างนั้นเลยเดี๋ยวพออยู่มาอายุได้เจ็ดขวบก็บอกกับพ่อกับแม่ให้ทราบแล้วว่าอยากไปบวชกับท่านพระสารีบุตรเทระเจ้าพ่อแม่ก็ไม่ขัดใจก็พาไปมอบหมายให้ธรรมสารีบุตรท่านก็ถามว่าการเป็นนักบวชนี่นะ่ะ มันยากลำบากนะหนูจะปฏิบัติได้หรือธรรมดาเป็นนักบวชนี่ปรารถนาร้อนกลับได้เย็นปรารถนาเย็นกลับได้ร้อนอะจะจะให้มันได้อะไรตามใจของตนนั้นยากเข้มทนบางทีก็ได้ดังใจหวังบางทีก็ไม่ได้อย่างนี้นะหนูจะปฏิบัติตามได้หรือ บันดิตะกุ ม, มารก็ว่าก็ผมขอรับปฏิบัติตามได้ทุกอย่างเลย เ, เป็นชั น, นีท่านก็เลยบวชให้พ อ, อบวชแล้วได้เจ็ดวันวันที่แปดนี่ท่านเจริญภาวนาไปก็ได้สำเร็จอรหรันดูสินั่นแหละคนมีบุญนะคนได้ทำความดีมาจตในปางก่อน มากมาย เ, าเวลามันอำนวยผลให้มันก็น่าชื่นใจในวันนี้นะทำให้เป็นผู้มดกิเลสตัณหาไปทั้งแต่อายุได้เจ็ดขวบนูน่นอันที่ยกเรื่องราวมาให้ฟังกันนี่ก็เพื่อเป็นกำลังใจ เ, เพื่อให้ได้นึกถึงท่านผู้ที่เป็นบุรพาจารย์ ของพวกเราทั้งหลายท่านบำเพ็ญความดีมาอย่างไรท่านจึงได้พ้นทุกข์พ้นยากไปอย่างนั้นได้ยินได้ฟังแล้วเราก็จะได้มีกําลังใจแบบนี้อจะได้ภาคเพียรพยายามละความชั่วทําความดีเข้าไปตามเพศตามภูมิของตนนะผู้เป็นเพศคฤหัสถ์ก็พยายามปฏิบัติ ต, ตามธรรมของคฤหัสถ ผู้เป็นเพศนักบวชก็พยายามกระพติตามธรรมของนักบวชนั้นให้สมบูรณ์บริบูรณ์เต็มที่เท่าที่จะทำได้ถ้าเราไม่ภาคเพียรพยายามอย่างนี้ชีวิตนี้มันก็จะล่องลอยอยู่ในวัฏฏะสงสารนี่ไปนานแสนนานไม่รู้ว่าเมื่อไรถึงจะพ้นทุกข์พ้นภัยไปได้แต่ภัยที่น่ากลัว มากที่พระศ า, าสดาทรงสอนแล้วสอนเล่าเกือบจะทุกขกันเลยในในหนังสือพระไกรปิฎกนี่นะเพราะองค์ทรงสอนไว้ให้เห็นให้กลัวต่อภัยในนรกอันนี้เกือบจะมีทุกขกันเลยเพราะว่าพราะองค์เจ้าตััสรูแจ้งแล้วนี้ไอ้นรกเนี่ยมันมันทุกทนทุกยากลาบากขนาดไหนบุคคลผู้ไปตก น, นรกนะ พระองค์ก็ได้เคยไปตกนรกเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าตกนรกไม่ไม่ใหญ่ที่ทันแล้วอุตสุธนรกชาติหนึ่งนั่นเป็นพระราชาเมื่อเขาเจ้าหน้าที่นำนักโทษมาทูลให้ทราบว่านักโทษคนนี้เนี่ยมันไปจี้ไปปล้นเอาสมบัติของผู้อื่นฆ่าเจ้าเอาของ อ้าวพระราชาก็สั่งให้นำไปประหารชีวิตซะอย่างนี้แหละม่นี้พอสวรรค์คตลงไปบาปกรรมเนี่ยมันก็นำไปตกอุจุาระนรกเพราะว่าฆ่าคนชั่วถึงเป็นบาปก็ไม่มากมไม่เหมือนอย่างฆ่าคนดีคนมีบุญมีคุณถ้าใครไปฆ่าแล้วบาปมากอันนั้น นี่ฆ่าคนชั่วนี่ถึงบาป ก, ก็ไม่มากได้ไปตกนรกก็นรกหลุมตื้นไม่ลึกแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ทนทุกข์ทรมานจะเป็นหลุมลึกหลุมตื้นก็ตามเพราะองค์เจ้าจึงมาสอนพุทธบริษัทให้กลัวแต่ภัยในนรกนั่นแหละเพราะมันทุกข์หลายเพระสาวกหรือบริษัท บางท่านก็เอาเรื่องภัยในนรกนี่แหละมาเตือนใจให้รีบเร่งกระทำความเพียรพยายามละอาสวะกิเลสให้หมดไปสิ้นไปจากกิรสันดานเตือนว่านรกคอยท่าอยู่นั่นนะเธออย่าประมาทนะนรกมันคอยท่าอยู่ถ้าประมาทแล้ว จะไม่คลาดแค่จากนรกแน่นอนเพราะฉะนั้นพึงะละเสียซึ่งความชั่วโดยประการทั้งปวงพยายามรักษากุศลความดีไว้ในใจให้มากปากเจริญปัญญาพิจนารณาเห็นขันห้าตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางอย่าไปถือว่าเป็นเราเป็นของของเราเข้าไปผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านก็นั่งสอนตัวเองเข้าไปอย่างนี้ไม่ท้อไม่ถอยแนละ้ว ในที่สุดท่านกัละอุปทานขันหานั้นได้จึงได้พ้นทุกข์ภายในสงสารดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้